ร, รายตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่23าอัฏฐกนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีแดข้อวักที่ไม่จัดเข้าในหมวดห0ิบวักที่หนึ่งสันธานวักว่าด้วยความตั้งอยู่ด้วยดีมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนางมหาประชาบดีโกตมีกราบทูลขอบวชเป็นภิกษุณีในชั้นแรก ตรัสปฏิเสธแต่เมื่อพระอนนท์ช่วยกราบทูลก็ตรัสอนุญาตให้พระนางบวช ด, ด้วยคารุธรรมคือธรรมะที่ควรเคารพแปดประการดูรายละเอียดที่แปลไว้จากวินัยปิฎกซึ่งองกันตรัสแสดงธรรมแก่บุตรแห่งโกริยะกษัสัตว์ชื่อติาชานุ เรื่องธรรมะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบันสี่ประการคือถึงพร้อมด้วยความมัน่นการรักษาทรัพย์ที่หามาได้คบคนดีเป็นมิตรเลี้ยงชีวิตโดยสม่ำเสมอคือไม่ฟุ่มเฟือยหรือฝืดเคืองเกินไปเรื่องปากทางแห่งความเสริมทรัพย์4ประการคือเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรฝ่ายดีคือปากทางแห่งความเจริญตรงกันข้ามเรื่องธรรมะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อนาคตสี่ประการคือถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะคหรือการบริจาคและปัญญาและตรัสแก่บุชยกรามในทำนองเดียวกัน ตรัสว่าภัยทุกเป็นต้นเป็นชื่อของกามตรัสแสดงคุณธรรมแปดอย่างของภิกษุหลายในที่ทำให้ภิกษุเป็นผู้กวนแกกของคำนับตลอดจนเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอย่างสูงทรงแสดงพระอริยบุคคลทั้งแปดวรรคที่สอง จารวักว่าด้วยเรื่องแผ่นดินไหวตรัสแสดงบุคคล8ประเภทคือภิกษุอยากได้ลาบ 1. พยายามเพื่อได้ลาบเมื่อลาบไม่เกิดขึ้นก็เสียใจเคลื่อนจากประสั t h ธรรม 2. พยายามเพื่อได้ลาบเมื่อลาบเกิดขึ้นก็หมู่เมาประมาทเคลื่อนจากระสั a ธรรม 3. ไม่พยายามเพื่อได้ลาบเมื่อลาบไม่เกิดขึ้นก็เสียใจเคลื่อนจากพระสัตธรรม 4. ไม่พยายามเพื่อได้ลาบเมื่อลาบเกิดขึ้นก็มัวเมาประมาทเคลื่อนจากพระสัตยธรรม 5. พยายามเพื่อได้ลาบเมื่อลาบไม่เกิดขึ้นก็ไม่ click, เสียใจไม่เคลื่อนจากพระสัตธรรม พยายามเพื่อได้ลาบเมื่อลาบเกิดขึ้นก็ไม่หมัวเมาประมาทไม่เคลื่อนจากประสัตธรรมเจไม่พยายามเพื่อได้ลาบเมื่อลาบไม่เกิดขึ้นก็ไม่เสียใจไม่เคลื่อนจากประสัตธรรมแไม่พยายามเพื่อได้ลาบเมื่อลาบเกิดขึ้นก็ไม่หมัวเมาประมาทไม่เคลื่อนจากประสัตธรรม ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกอย่างเป็นกู้คกวนแก่ตนควรแก่คนอื่นคือหนึ่งพิจารณาได้ไวในกุศลธรรม 2. ทรงจำธรรมะที่สดับแล้วได้ 3. พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไว้ 4. รู้อัฏฐะรู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมะ หมีวาจาไพเราะ6ชี้แจงชักชวนเพื่อนพรมจารีให้อาจหารร่าเริงครั้นแล้วตรัสว่าลดข้อแรกเหลือแต่ห้าข้อหลังก็ใช้ได้ลดสองข้อหลังเหลือแต่สี่ข้อแรกก็ใช้ได้ลดข้อสามและสี่เหลือเพียงสี่ข้อก็ใช้ได้ลดข้อหนึ่งกับข้อห้าและหก เหลือเพียงสามข้อก็ใช้ได้ลดข้อหนึ่งข้อสาและสีเหลือเพียงสามข้อก็ใช้ได้ลดสี่ข้อเหลือเพียงข้อสมข้อสี่ก็ใช้ได้ลดสี่ข้อแรกเหลือเพียงข้อหข้อ6ก็ใช้ได้ตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้ขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ โดยตรัสสอนให้สำเนียกว่าหนึ่งจิตจะตั้งมั่นอากุศลธรรมจะไม่กรอบงำข้อสองถึงหเราจะเจริญทำให้มากซึ่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นเจโตวิมุตต์หมายถึงอันเป็นชาญข้อ6กถึงเเราจะเจริญทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี เมื่อได้ทำอย่างนี้ก็จะอยู่เป็นผาสุขทั้งอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนตรัสแสดงอธิเทวญาณทัศนะการเห็นด้วยญาณซึ่งอธิเทพหรือเทวดาผู้ยิ่งใหญ่แปดประการคือเมื่อพระองค์อย่างเป็นพระโพธิสัตว์ทรงปรารถนาจะได้รู้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ ครั้นท่งบำเพ็ญเพียรจนรู้เห็นได้ตามต้องการแล้วก็ส่งปรารถนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจนสำเร็จสมบูรณ์ครบ8ดข้อจึงปฏิญญาพระองค์ว่าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้แก่หนึ่งเราจักรู้สึกมีแสงสว่างเห็นรูป 2. เราจักยืนสนทนาใตถามกับเทวดาสาม เราจักรู้ว่าเทวดานี้มาจากเทพนิกยนนท์สี่เราจักรู้ว่าเทวดาเหล่านั้นเคลื่อนจากนี้เกิดในที่นั้นเพราะอนแห่งกรรมนี้ห้าเราจักรู้ว่าเทวดาเหล่านี้มีอาหารอย่างนี้เวยสุุทุกอย่างนี้หกเราจักรู้ว่าเทวดาเหล่านี้มีอายุยืนอย่างนี้ ดำรงอยู่นานเท่านี้เจ็ 7. เราเคยอยู่กับเทวดาเหล่านี้หรือไม่ 8. ปดหรือว่าเราไม่เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้ตรัสแสดงอภิพายตนะคือเหตุอันครอบงำอารมณ์ที่เป็น่าศึกหรือธรรมะปลายตํำแปดประการคือหนึ่งกำหนดหมายรูปภายใน เป็นรูปภายนอกเป็นรูปเล็กทั้งที่มีผิวพันธุ์ดีและสาม 2. ก enfin ําหนดหมายรูปภายในเห็นรูปภายนอกไม่มีประมาณทั้งที่มีผิวพันธุ์ดีและสาม3กําหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกเป็นรูปเล็กทั้งที่มีผิวพันธุ์ดีและสาม 4. กําหนดหมายอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกไม่มีประมาณทั้งที่มีผิวพันธุ์ดีและสามกํากำหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเขียว 6. กํกำหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเหลือง 7. กํากำหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีแดง 8. กํกำหนดหมายอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกสีขาวทั้งแปดข้อนี้ต้องมีความกำหนดหมายประจำทุกข้อว่าเรารู้เห็นครอบงำรูปเหล่านั้นคือไม่ใช่รู้เห็นอย่างติดแต่เป็นนายเหนือสิ่งที่เห็นได้หมายเหตุคำว่าอภิพายตนะมีมาแล้วในมหาปรินิพานสูตรสังคีติสูตรท้าสุตระสูตร แต่ไม่ได้แจกรายละเอียดย่อไว้เพียงชื่อบ้างกล่าวเพียงตัวอย่างของธรรมะหมวด8บ้างในที่นี้จึงย่อไว้ให้เห็นชัดมีข้อน่าสังเกตคือเป็นเรื่องของการปฏิบัติทางจิตภาคสมถะและตั้งแต่ข้อหถึงข้อ8เป็นเรื่องของกษสินตรัสแสดงวิโมกข์ตรัสแสดงอริยโวหาร คือคำพูดที่ประเสริฐและอนาริยะโวหารคำพูดที่ไม่ประเสริฐฝ่ายละแปดอย่างตรัสแสดงบริษัทแปดคือกษัตริย์พรามคฤหบดีสมณะเทพชันจาตุมหาราชชันดาวดึงมานและพรมเมื่อทรงปลงอายุสังขารเกิดแผ่นดินไว้ พระอาณนนท์กราบทูลถามถึงเหตุปัใจจัยให้แผ่นดินไววตรัสว่ามีอยู่แปดประการคือลมกำเริบผู้มีฤทธิ์บันดาลประโพทิสัตจุติจากดุสิตลงสู่พระคันพระมานดาประสูตรตรัสรู้ปรัตถาคตแสดงธรรมจักลงอายุสังขารและปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาต วักที่สาชื่อยะมะกะวักว่าด้วยธรรมะที่เป็นคู่กันตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะ8ประการเป็นผู้น่าเริ่อมใสทุกทางบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงคือมีศรัทธามีศีลสับตรับฟังมากเป็นผู้กล่าวธรรมะก้าวลงสู่บริษัทกล้าหาญแสดงธรรมะ ได้ฌานสี่ตามปรารถนาทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันตรัสอีกในหนึ่งเปลี่ยนเฉพาะข้อที่เจ็ดเป็นถูกต้องวิโมกอันสงบด้วยนา ม, มากายภิกษุหลายรูปแสดงความเห็นในการเจริญสติระลึกถึงความตายต่างๆกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ที่คิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดคืนและวันตลอดวันตลอดครึ่งวันตลอดเวลาที่ฉันอาหารมื้อหนึ่งตลอดเวลาที่ฉันอาหารครึ่งมือ้อยังอยู่ในเกณฑ์ประมาทเจริญมรณะสติเพื่อสิ้นอาสวะช้าไปส่วนผู้ที่คิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ระหว่างเคี้ยวอาหารคำเดียวระหว่างหายใจเข้าออก จึงชื่อว่าไม่ประมาทเจริญมรณสติเพื่อสิ้นอาสวะตรัสสอนให้จเจริญมรณสติแล้วมีฉันทะมีความเพียรพยายามความอุตสาหะความกระตือรือร้นที่จะลักอกุศลธรรมตรัสแสดงสัมปทาคือความถึงพร้อมแดอย่าง คือถึงพร้อมด้วยความมันการรักษาทรัพย์ที่หามาได้การคบคนดีเป็นมิตรการเลี้ยงชีวิตโดยสม่ำเสมอความเชื่อศีลการบริจาคและปัญญาพระสาวรีบุตรสอนภิกษุทั้งหลายถึงบุคคล8ประเภท้องกับพระพุทธภาษิตเรื่องภิกษุอยากได้ลาบแดอย่าง และสอนเรื่องบุคคลที่ควรแก่ตนและผู้อื่นตรัสถึงธรรมะแปดอย่างเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งภิกษุผู้ยังศึกษาคือยินดีในการงานหมายถึงที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ในการพูดมากในการนอนหลับในการคลุกคลีด้วยหมูไม่สำรวมอินทรีย์ไม่รู้ประมาณในโพชนะ หรือไม่รู้ประมาณในการกินยินดีในการเกี่ยวข้องยินดีในธรรมะอันทาให้เนื่นช้าส่วนฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสถึงที่ตั้งแห่งความเกียดคร้าน8ดอย่างคือหนึ่งจะทำงานกลัวลำบากกาย 2. ทํทำแล้วก็รู้สึกว่าลำบากกายสา จะเดินทางก็กลัวลำบากกาย 4. เดินทางแล้วก็รู้สึกลำบากกาย 5. เที่ยวบินทบาทไม่ได้อาหารตามที่ต้องการรู้สึกว่าลำบากกาย 6. เที่ยวบินธบาทได้อาหารตามที่ต้องการรู้สึกว่ากายหนักคืออึดอัดเพราะอิ่ม 7. มีอาพาธเล็กน้อย แหายจากอ า, าพาธไม่นานทรงสแสดงที่ตั้งแห่งความเพียรคืออารัมพวัตถุ8ประการโดยทางตรงกันข้ามวักที่สสติวักว่าด้วยสติตรัสว่าถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะ ก็ทำให้ไม่มีธรรมะอื่นๆอีกเจดข้อโดยลําดับถ้ามีสติสัมปชัญญะก็ทําให้มีธรรมะอื่นๆอีกเจดข้อโดยลําดับตรัสแสดงเหตุที่ให้พระธรรมเทศนาของพระตถาคตบางครั้งก็แจ่มแจ้งบางครั้งก็ไม่แจ่มแจ้งคือมีศรัทธาเข้าไปหานั่งใกล้ไต่ถาม ตั้งโสดสดับธรรมะทรงจำธรรมะพิจารณาอัตถแห่งธรรมะปฏิบัติธรรมทรงควรแก่ธรรมถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่จำแจ้งตรัสว่าธรรมะทั้งปวงมีความพอใจเป็นมูลเกิดแต่ความใส่ใจมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงมีสมาธิเป็นประมุข มีสติเป็นใหญ่มีบุญเป็นสิ่งยอดเยี่ยมมีความหลุดพ้นเป็นแก่นตรัสว่าโจรประกอบด้วยองค์แปดยอมถึงความพินาศโดยพลันไม่ตั้งอยู่นานคือทำร้ายผู้ที่ไม่ได้ทำร้ายขโมยของไม่ให้มีเหลือพาสตรีไปขมขืนหญิงสาวปล้นนักบวชปล้นพระคลังหลวง ทำกรรมในที่ใกล้เกินไปไม่ฉลาดในการฟังทรัพย์และตรัสว่าถ้าตรงกันข้ามก็ไม่ถึงความพินาศโดยพลันตั้งอยู่ได้นานตรัสว่าคำว่าสมณะพรามผู้ถึงเวทหมอผู้ไม่มีมนทินผู้ปราศจากมนทินผู้มียานผู้หลุดพ้น เป็นชื่อของพระตถาคตตรัสกับพระนาคิตะแสดงพระประสงค์ไม่ต้อนรับรามครหบดีชาวอิจชานังคละผู้ส่งเสียงเอ็ดอื่นตรัสเรื่องอุบาสกที่กวนความบาดายบาดและเรื่องอื่นๆทำนองเดียวกันดังที่มีแล้วในพระวินัย วักที่ห้าตรัสสอนให้เจริญธรรมะ8ดอย่างคืออริยามรรคมีองค์แปดอภิพายตนะ8ปดวิโมก8ปดเพื่อละอุปกิเลสสิบหมีราคะเป็นต้น